ส่วนมากเลาะไปตามฝั่งพระพุทธภาษิตอปปกาเตมนุเเสสุเยชนาปารคามิโนอท่ายังอิตราปรชาตีระเมวานุทาวติเยเจโคสมะดาคาเตทมเมธรรมานุวัตติโนเตชนาปรเมีสันติมจุเธอยังสุดรังแต่ว่าในหมู่มนุษย์คนที่ถึงฝั่ง มีจำนวนน้อยคนส่วนมากเดินเลาะไปตามฝั่งคนเหล่าใดประพฤติธรรมสมควรแก่ทำที่เรากล่าวดีแล้วคนเหล่านั้นล่วงบวงมาแล้วจากถึงฝั่งที่ข้ามได้โดยยากอธิบายความคำว่าถึงฝั่งท่านหมายความว่าถึงพระนิพพานคนที่ถึงฝั่งคือถึงพระนิพพานมีน้อยส่วนมากเดินเลาะไปตามฝั่งคือโลกิยะวิสัย ไม่ยอมข้ามฝั่งท่านเปรียบโลกนี้คือโลกิยวิสัยเหมือนมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้รายนานาประคารฝั่งโน้นคือพระนิพานเป็นที่ปลอดภัยแต่คนส่วนมากเห็นเป็นไม่สนุกไม่มีอะไรจึงไม่อยากไปกันยอมสุขบ้างทุกบ้างอยู่ทางฝั่งนี้ซึ่งโดยปกติมีทุกมากกว่าสุขเมื่อถึงคราวสุกก็เป็นสุขที่มีทุกเจือ มีสุขเพราะเรื่องใดก็ต้องมีทุกข์เพราะเรื่องนั้นเจือปนคลุกเคล้าอยู่ด้วยท่านจึงเรียกว่าสามิสุขแปลว่าสุขที่ต้องมีเยือ่อสุขที่เจอด้วยอามิตรอามิตรคือเครื่องหล่อหรือเยือ่อหรือสิ่งที่ทําให้หลงติดอยู่กล่าวโดยเฉพาะบ่วงกรรมเป็นบ่วงที่มนุษย์พากันติดและข้ามได้ยากเกิดมาจากกรมหมกมุ่นพัวพันอยู่ในกาม และตายไปในเพาะกามในระหว่างที่ยังไม่ทันอิ่มในกามมัจจุราชก็มาฆ่าไปซสอีกความที่ยังไม่ทันอิ่มอิ่มในกามยังอยากเสพกามอยู่นั่นเองจึงต้องมาเกิดใหม่ในกามอีกเวียนอยู่อย่างนี้ส่วนท่านที่ละกามได้แล้วเป็นอนาคามีบุคคลในวงเล็บผู้ไม่ต้องกลับมาจึงไม่ต้องเวียนมาเกิดในกามอีก ไปเกิดในภูมิที่สูงกว่ากามมาภูมิกามนั่นเองท่านเรียกว่ามัจจุเทยะบ่วงของมัจจุคือความตายตราบใดที่ยังข้ามห่วงกามไม่พ้นก็ต้องเกิดแล้วเกิดอีกอยู่นั่นเองแต่กามเป็นห่วงน้ําที่ข้ามได้ยากยิ่งสุดรั่งคนใดข้ามได้คนนั้นก็ข้ามฝั่งได้ไปถึงพระนิพพานได้อย่างแน่นอนทั้งนั้นทั้งนี้ ย่อมสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้พระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาทรงแสดงที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารบการฟังธรรมของอุบาสกหลายคนมีเรื่องย่อดังนี้ในสมัยหนึ่งชาวบ้านที่อยู่ถนนสายเดียวกันในเมืองสาวัตถีรวมกันเป็นคณะรวรวมทรัพย์ถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์ แล้วจับให้มีการฟังธรรมตลอดคืนแต่แล้วก็ไม่อาจฟังธรรมตลอดคืนอย่างรุ่งได้เพราะบางพวกยินดีในกามกลับไปบ้านเพื่อเสพกามบางพวกอาศัยโทสะไม่พอใจอะไรบางอย่างจึงกลับไปบางพวกนั่งง่วงงูนอยู่ไม่ได้ดประโยชน์จากการฟังธรรมวันรุ่งขึ้นภิกษุ่างหลายสนทนาการเกี่ยวกับเรื่องนี้ พระาศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์เหล่านี้อาศัยพบแล้วคลองอยู่ในภพนั่นเองมากมายส่วนพูดถึงฝั่งคือพระนิพพานมีน้อยดังนี้แล้วทรงสืบอนุสนทิเทศนาตรัสพระคาถาว่าอัปปาเตมนุเนสุเป็นอาทิมีนัยะตังพณ น, นามาแล้วแต่ต้น